ีล ะ, ละคลานกระทั่งเวลาในชีวิตที่เหลืออยู่นับได้เป็นวันหรือนับได้เป็นชั่วโมงเมื่อ น, นั้นสภาพใกล้ตายจะฟ้องชัดว่ากายใจในชาตินี้หาใช่สมบัติที่แท้จริงของคุณไม่ก็แม้ชีวิตยังไม่ใช่ของคุณและอะไรในชีวิตที่ควรอ้างว่าเป็นของคุณได้ล่ะ ความเกิดและความตายแห่งสรร พ, พสิ่งเริ่มต้นมาจากไหนก็ไม่รู้จักวานนี้เกิดมาได้อย่างไรและจะตายไปด้วยท่าไหนก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในระหว่างหมู่นักวิทยาศาสตร์ไม่รู้จบคิดไปคิดมาก็น่าฉุกคิดว่าความไม่รู้นั่นแหละอาจก่อให้มีการเกิดการตายขึ้นมา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 จะเห็นว่าทุกเกมให้โอกาสเลือกแต่แรกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นทว่าเกมแห่งการเกิดการตายนั้นไม่ใช่จู่จูก็ให้ลงสนามเลยลงมาเสร็จค่อยรู้ว่าต้องเล่นเกมโหดหรือเกมหาหากมองการเกิดการตายเป็นเกมที่ต้องเล่นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะเห็นทางเดียวที่จะไม่ต้องตาย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 ด้วยการกำจัดอวิชชาด้วยการเปลี่ยนความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งนับเป็นความสบายใจขั้นสูงสุดเหมือนคุณได้ลิ้มอีกรสหนึ่งที่ประหลาดและแตกต่างไปกว่าเคยขอเพียงรู้จักรสนั้นครั้งเดียวก็แปลว่าคุ้มทั้งชีวิตคุณแน่แท้แล้วคุณจะไม่เสียดายแม้ต้องตายไปเดี๋ยวนี้